อย่างนี้คือสุเมชาตัวอื่อยูที่เหลืออื่นๆของควาเป็นอยู่นะติเกี่ยวกับการปฏิบัติสมันี้แ่ผมยนสมัยก่อนการวการีเกิดามาเี่ยแต่สมัยก่อนม่มีคนกต่กาลและไม่มี เหนือีบนียา้งาต่างๆทไปอยู่ในสถานเดอตายอ้ใจจรงแต่สนี้ไม่เป็นอย่างนั้นตาอ้กงขม้ในสมยใครที่อยากจะไปงเราไปแล้วไม่เคยผลขยัันงน แต่แต่ยาักขาสถานที่ีเวตรวจการตาเข้าไปในแผลไม่ยากเพราะเป็นยีเวจะเปนยีลึกยในตาในเขาตาเขาก็เป็นเกี่ยวองการเข้าใส่อยู่เนี่ยแต่ยีวมันจะไม่เจ็บ ทางขออนุญาตเขาเราไปอยู่พระไปจะหาว่าเราเป็นพระอะไรเสงสัยขออนากเขา เ, ขาเากำลังไปแลวอีกอย่างการไปอยู่ในสถานที่มีเวถึงขออนุยากผู้คนชบ้านไม่เคยรู้จกักเรื่อง ข, งของเรามาแต่ก่อน เราเป็นภาแบบไหนเป็นอย่างไรขงแรต่งไปตอบถามบางทีก็เหหาบร์ดวเวลา้าอยู่ด้วยมัเป็นแค่สำคัญกามีเุจะไม่จะดุจะมาควรภาพใหญ่เป็นไโดน้ามันอไห เดือดในการไปยืดทางจิตต่างๆจะขาดไปขาดสายตามชำนัวาดราอารามบางอย่งบางเหวินจสู้ที่อยู่ัองตนจะอยู่ได้นอกจะเดือาในการเนอยู่นั้นการโดยกาเป็นการยคือยืทางจิตทางใจตนเอง มันสงบไปแล้วมันจะเดือดสบายแบบคิดไปที่ไหนไปทีมไหกแบบนั้นตอนอีกคนที่ตุดระยะไปเวลายานานทนที่จะได้เดินจนเตมทางมาต้องได้จิตใจจมีแต่ตึงไปทางหน้าตึงมาทางหลังหรืออย่างนั้นเราหนึ่เป็นอันดีโร่อใช่แต่นั่นูที่ไปเอ อยากจะไปเที่ยวแต่พิจรารณาให้ผูกถ่วงเที่ยวก่อนการไปเที่ยวทัางเลายเป็นพิจารณไปมาแล้วได้ผนอย่างไรหรือหักไม่ได้ผลตอบติดพิจารณาดูภายในทั้งสอ ง, อ ง, อ ง, องในอย่างนั้นจิตคิดสิ้ ง, งใจทั้งนั้นจะดีใดท้งนี้จะดีหลอกเลี้ยงเ ย, ยื่อไปได้หน่อยนเวลา ที่จะพักผ่อนมีเวลาที่จะตั้งหน้าแพนมาีแต่เดินทางที่ทุกระยะที่เวลาพักสี้าทีหนึ่นดูนเหม า, มาะใช่ยามใดโออนยึนนดกตนั่งดูภายในทั้งเต็แต่จิตคิดเป็นอย่างนี้มันคิดไปดูดเชื่อแต่คิดไปหนยดูคิดไปเชื่อแล้วก็หักห้ามเอาไว้ ดยกระถานสิน่งนี้มีความลำบากขับข้องอะไรที่จะไม่มีโอกาสเวลาภาวมาเดินจงใจชำราจิตใจของตนเมื่อตายครงหน้าที่เหลือตัวเก่ามันจะละอย่างไรอีกแต่ที่จะมะ า, ะ ม, าะมัาไใ อ, อ, อย่างนั้นเสียตามเสียเวลาครือว่าการไปนี้ไปนี้เป็นครั้งดีครองดี ถ้าไปอย่างนั้นเป็นความดีจริงจังคน่เขาชอบเที่ยวลอบโลกตกคนที่เหลือปัญหาไปหมดไหนนี้ไปตจดแต่เนื้อแหล่อยได้ราคาตัญหาไม่หมดไปเดี๋ยวกันไปทั้งเขาถ้าไปที่ไหนที่เหลือตกไปหลุดไ้าเราที่คิดกุยกานมาอย่างนี้จมีแต่อยากจะไปอยากจะไปไปแล้วขาดคุณนเต็มไรดิเป็นอย่างไร เราบอกเราคุณหารดูแต่ันได้มันเ่มันเป็นอย่างนั้นการใส่เกียวของเราจะเป็นโมฆะาประโยชน์การเปลี่ยนการไปวมก่อนมันเป็นวิเวกจริงจริงาจงใส่ผ้าชาใส่สถานใกคเขามานใจกับเรื่องเหือยงบด้นใจแขงงังอะไร ตนที่จะสนใจไปศึกษาธรรมะตัวนี้น้อยเราวิเวกอยู่ทุกระยะทุกเวลาในรันธะ้าวันจ้าวนีการนั่งเรียนโยกขวางศรัท้าเราเดินามาอยู่ตลอดเวลาส่วนอาหารตามฉันตามเป็นอยู่ภายนอกเดี่ยนร่างกายเราก็แข็งเราได้แต่เราไป ดูดวยไปหาความปวดท้างใจไปพารณาสัละกจิกไม่เจิดแต่หาล า, าสละา ต, หาหาสตาบางทีอดอยากจากจนมาข้าวแต่ฉันกินเจนียงพออาหารบางวันก็ไม่มีอะไรเลยมันเคยถูกเคยเห็นแต่ลับทิ้งที่ น, น, น, น, นั่งคืนอนเสียหมอนก็อย่มีอาศัยาอาบนะ้และผ้าผ้าคองผีเสว้อผีไป เป็นหมอนเป็นเสียงตื่นนอนเสีงข้าในแผลอย่างอื่นในแปลว่าทำทุกอย่าแลำบาอย่างนั้น้าหากพิจรณาถุแสนใจเจรนาถุเมนก็สนุกสบายเราเจดนาแต่เจรนาแต่ตายมาโดยหาหนุ่มดแดบกบหามพัสดิอะไรมาเหนือเกิดมาแล้วจะไปหาอย่างนั้นอย่างนี้มันปลุกมันสบาย ใคจะหาอย่างนั้นทาไมออกจากวัดมาเีวัดมันมีเยวนอนหน่อยค่มอะไรเนื่ยนามาก็มีเนดีเมื่อเราใจอย่างนั้นจะหอบหิหาหามไปอยากอยู่ใจวัดตัวก็ไม่น่าดูนกเราหก่อนวม่ีอย่งอาศัยโดนไปเรื่สิ่งใดมันจำเป็นจริงังกับสังไปเสิ่งใดที่มันจำเป็นจริงจ แต่จรงระยะในอย่างนั้นไปในตลอดไปในไหวเพะมันหนักเดินทางแต่ละยันแต่ละยันบางทีระยะสั้นแล้วขันเซนแล้วจะไปสื่อจิตหมายสืดตัวต่างการสาเดินเล่นๆอยู่เมื่อต่อหนึ่งที่ทัศน์อาใส่สื่อจะสะดวกสบายให้เมื่อไปถึงก็ขวนใจทั้งคนเมื่ออยากจนลำบากอย่างไร ใจอย่างไรคัดข้าวเรามาเอในใจเขานมนต์กจนเรามาเมาตั้ตงหน้าภาวนาจิตใจจุตเป็นคิดอย่างนี้ในใจิตใจสื่อชำระกิเลสจะทำให้กิเลสโผลขึ้นเพราะอันนั้นเขากไม่ให้อันนี้เขาจะมาดูแลมันจะโผ ข, ขึ้นอย่างนั้นจึงข่มจิตค่มใจของตนสอนตนข้องตนอยนะ่าเรมาภาวนาชำระจิมานะชำระกิเลสปัญหา สิ่ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างไรเราแบบโยกวข้องจะดูจิตใจของเรามันชอบมันมาในใจมันไม่ชอบมันยินดีอยากแต่มาเรื่อยๆแต่งมาเรื่แล้วจิตใจมันคิดโยกคล้องยิงๆกับสิ่งไดอีกถ้าหากมันจิตตึงตึงต่างๆกับในใจเรื่ๆ ใจวุ่นคือใจสงบใจหมดอารมณ์โยคล่องจากสิ่งของต่างๆทางด้านวัตถุจิตใเวื่อใจวุคือสงบจากที่เลื่อยมีจิตใจใจเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจิดใจเราไม่วุใจวุ่นโยคล่องยินเย็นวนวายต่วัตถุต่อของต่างคนใจความใจข็งต้นคนจิตใจวุ่นจะต้องมี แต่ตื่นม y จ a n g ารักษาจิตใจตัณหาตตาที่จะมาแต่แต่เราอยู่วัดเป็นอย่างไรจิตใจสงบอยากเนหรืไม่เนี่ยนะอย่างนี้จิตใจของเรามันเป็นไปอย่างไรวัดดูเหียดดูว่าความเป็นอยู่ของเราในที่เียวในที่ับอยู่วัด่าจิตใจ่าหรือหลังอย่างไรที่จาิบวกลบ การดูเรื่อยตลอดถึงการกมาธิจิตใจทังตนเวลามาพักแขงนิเวศแต่ตนทั้งตนตามเตียมทั้งเถาได้หนักขึ้นอย่างไรไม่ใดลงไปขณะเราอยู่วัดการเวลาที่เดินจกมไพลมอแต่ต้องเปลี่ยนนเวศเวลาเราตายเราได้ทมหนกขึ้นหรือเยนลงขอยลง แต่ที่เจน้าอีกใมอย่างนั้นจิตใจตะหนัไปไหนกันวิ่อน อ, นอนยู่ว่นมานี่จะอยากจะไปนี่อยากจะเที่ยวฝ น, น, น, น, น, นือติดวิ่งเรื่กงปัญหาตัวอจิตใจหอกเล้ยงนำพางมั่งจมอยู่ตลอดเวลาไปท้าที่ไหนก็ไม่เหมาะไม่สนให้ไปท้าที่ไหนปลุกหลอกเรื้งใจเค่องเสืออยู่ตลอดนี่คือคนหนึ่งที่นี่ที่เจน่าดูภายในท่งเน ตอนั้นือ่ยิ่งจะตัง้งตัวตาที่จะมาบวกลบทางจิตใจขคงคน้นคนที่ตามมาั้งหน้าตั้งตาไปภาวนายิ้จริงจังอาจจะรู้อาจจะข้าบส ถ, ถานที่ใดคป็นต่อไปยะภายในดูทางใจให้ใจสงบย่อนยนสะดวกสบายในการภาวนาเคร่งขนยด่นชั ถ้าเราที่เจรนาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปเที่ยวเฉยเฉยดูจิตดูใจคงทงนเรื่อยไปมันเป็นอย่างไรก็ อ, อย่างไรแตนั้นการยีเร่การภาวนาด้วยการหาสถานที่ในสมัยการแผนกนัห้าแผ่นจีนกา ง, า ง, รงาเรื่อสบายะทะสี่เอาวบุคสบาสบายะบุคคลในสถานที่อยู่ที่อาศัยพักขั่วเวนสง เป็นกายยานุสมีอิจาเหยียบเยียดกันมีความเห็นดังดการสามรถีกันทาอะไรเป็นไปเหตุความราบรื่นเป็นไปเหตความสุขความสบายแต่ถึงยากโยนภายนอกดูแล้วรักษาการอุปการะเขากว่สะดวกสบาไม่เป็นขาสืบตือะไรไม่ได้คิดตื้อเรียนข่าสืบ แต่ตูนี่จะตังหน้าตัางตาภาวนาอยู่อย่างสงบเงียบหนีตูอยุ่ภาวสบายจ้บุคคลเป็นผู้สบายทั้งภายในทั้งภายนามีใครมาเกาะกวนเป็นรับความเดือดร้อนมีโอกาสเวลาที่จะภาวนาได้ในทีวิตไทยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างนี้ สถานที่อย่างนั้นหรือบุนคคลที่ไปพักไปอาศัยอย่างนั้นท้ามีว่าปลุกขล้าสบายะเป็นผี่สบายในการภาวนาการประกอบความเพียมทางด้านจิตใจเหยียบปลุกขล้าสบายะเป็นผีสบายอาหารละสบายะอาหารเป็นผี่สบายคือรับทานหรือกดขอันแต่ละในเงี้ยงหงสาวนัน เหนื่อยเนื่ยเนื่ยหัวเหนอลงกับโลกไครไค่เจ็บท้องตนสั่ลงไปแล้วมีกาลังพอที่จะพาเราวามความเทียประดวกสบายหนีไม้ถึงอาหารสัตวยะอาหารสัปยะนี่จะเป็นปัญหาอันหนึ่งสาหรับคนที่เจ็บใค่ใค่เ่็บสำหรับคนบางทำบางคนทานอาหารบางสิงบางอย่างลงไป มันอืดมันทับผมแต่หากละไรที่จามาจิตใจจะไม่สะอาดอุดระอาหารอะไรมันเป็นไอันตลายแต่จิตใจต้องสมคนรที่ที่จะมาในทำนะ่ยอย่ากล้าไม่กล้าอย่างนั้นถ้าเพืนน่อใช้กล้าเสมอโดยดําหยัดระอาหารอะไรยอะเอื้อหารจะขี่สบายแข็งคนอาหารแข็งนักบียดนีหลายอย่างหลายตัวเพื่สู่คนแต่ชาชคนหลายคน การทำยินมซึ้งทานอาหารอะไรที่มันเป็นไครอย่า จ, จิตใจคองตนเป็นไทยอยโรคนตายอย่าไปรับควานมนันเริ่เสียนะแต่อาหารที่มันให้ประโยชน์อย่เป็นขล่องตนรับทานแต่ใจท้าจะเข้าใจอย่างนี้นก็อาศัยการที่มิตรเ่มาอาศัยสติปอย่าตั้งสติ ความเป็นอยู่ของจิตใจในอย่างนั้นทำไมแอบรับอาหารอะไรมันเป็นชี่เป็นไทยวันนี้ทำไมใจจึงเุ่นดนายวันนี้ทำไมวามเหนื่อยหางานจึงทับผมในเด็กคิดถึงเยี่ยงการขวบฉันเป็นตับใจสำคัญอันหนึ่งโตแต่เมืตันยิตาหรือจะมาในตานฉันจึงเป็นธรรมะมสำคัญสี่พระพุทธเจ้าแง่แนเอายานฉันนะ่ะ ย่อมทำให้เหนึ ay, bay, ina, yet, ina, ่อยหา难ย่ามทาให้เวทนาเจ้าเวทนาน่าทำน้อยลงไปใจเบาใจเบาภาวนาละเอียดภารนาสบายหนีตามฉันจึงเป็นหนึ่งคำคำอันหนึ่งแต่เกี Riot, ่ยวกับเรื่องอาหารที่ฉันอีกนั้นต่ำอาหารบางสิ่งบางอย่างเรามีโรคพายในใจันลงใจแข็งแรงก่อตัวความเจ็บปวดกัวความกำเริบต่าง อาหารอย่างนั้นถึงจะชอบจะยินดีจะมีรสอะไรก็เรยื่ออยากไปขันคนที่ตั้งเสี่ยงตั้งตาที่เจอมาอย่างนี้เลือกคัดจับหาแต่อาหารที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่กายแก่ใจทังเป็นเป็นสะอาดีอางอาหารประเภทนี้เป็นคาาสุดขัตตูแต่โรคไข้แต่กาแก่ใจอาหารประเภทนี้ทําความสุขความสบายให้ ก็ข้าวแบบอาหารเป็ น, น, นจับใจนะฮหน้าหยางภาพเงินภายในจิตหนใจเพ่งเป็นนอกจากนั้นเจ้านาสนาสตายะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นจับใจนะฮะที่ทำคว า, ามสบายให้เจ้าตายเ จ, ายจ้าใจเพงตนความจริงสถานที่เราเคยทำสมาสธิพลานเมเราเคยทำอะไระเราเปลียนเรา ใจใจของเรามันคิดมันปุ๊บมันไม่สบายก็ อ, อยู่ก็สถานที่บางอย่งบางฝนเสียงภายนอะกมันรบเวนไม่มีอะไรภายนอะกไม่เกี่ยวข้องหุ่นวราไม่ปลอดภัยไม่สบายเรื่องภายนอกจล่ต่างต่างอยู่ก่อนหาที่สถานที่อยู่ที่อาศัยมันปลอดภัยไม่สงบสถานที่ ยังเป็นเรื son ่องสำคัญอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนักภาวนาเดีารลใจใจจางปวดใจเคเลือกทัดจับหาอยากจะานที่ที่อยู่ที่อาศัยแบบไอยนิจัมสบายสบายใจเลื่อนเ่การภาวนาสะียกสบายเลื่อนเ่แต่ฐานที่ที่ที่าวนาใจจเคยทามาก็พาทราบ เราพิจารณาภายในตั้งใจพิารณาจริงจังเราเคยทำความเคียนทำไปสิบเมงแต่สิบโมงรู้ลึกเหนือยเหน็ดเหนื่อยหจทำอย่างน้เขานอนก่อนมทำเหนื่อยเหนื่อยล้าก่อนมากจิตใจก็ไม่ใช่จะวงจะเวรไม่ใ่จิตใอย่างนั้นจิตใจอย่างนี้ทับถมอยู่ตลอดเวลากว่จะสงบมาก ه, ลําบากลำคาญือบางคีในสงบโอเลยทั้าถั้งสี่เราคอยอยู่สถานที่อื่นคอยสงบคอยสบายนั่งขนาดนี้คอยลงบนที่บนฐานนั่งขนาดนี้คอยมีความเย็กเย็นภายในตอนนี้นั่งไปหรือเดินไปในจังกรมจะนี้อะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเยื่นอยู่ยื่นวางมีแต่ความให้สะดวกสบายให้นั่นเยียวยาอาสปายยะ เพื่ไจะมานมก่กับกรินิสัแต่สถานที่ใดพอเข้าไปเยียดเยินจิตใจไส่ชิดอยากจะพาว่น่ะอยากจะทำสมาธิอยากจะเดินจงจรพทม า, าข อ, ขอมะไรก็ของใสทัดเทียนชำละจึวิิตซึต่างต่งให้ตกไปตัมหาทางใจลุกออกสถาน ท, ที่อย่างนั้นท่านพิรว่าสถานที่สบายยะ เราเฝ้าม่ยืนในที่อื่นทมอยู่ในชื่อื่นยี่ยอยู่ในชื่อื่นทมขนาดนี้จิตในเวียมในสงบในระดวกสบายให้จะเข้าไปในสถานที่เยี่ยมสบายเนี่ยในเยี่อย่างนั้นพอทำเขานิดนิดหน่อยๆเท่านั้นก็เล้นคลจากการการทำาคร่งตนด้ือความสงบก็สงบละเอียดลงไปจะที э ่เจี่นอะไรจะแก้ไขปิ <that> ๊งซี่เป็นปัญหาของใจให้ตก ในหมดไปได้สำราญชีวิตภายในอย่างสะดวกสบายนิ้อยถึสุนาสำราญสบสถานที่สบายาหรับการภาวนาทองเตแต่คนที่เหนไปอยเเพงใน้อสถานที่ใดไม่เคยรักษาไม่เคยที่จะนาดูใจทองเต็มคนเต็นนั้นจะไปขี้โรคก็มมีสถานที่ใดเป็นสไตล์ยากใจให้นี่จะคิดไปคิดไปนี่จะ จิตเก่ว้องกับต้นยาาต่างๆหะความสงบสงัดหาความละความที่เหลือปัญหาอะไรไม่ได้นั่งเขาไปเที่ยวไปชมไปทัศนาจรไม่ได้ที่นิพพจนพายไม่ได้ตั้งใจละที่เหลือปัญหาในตั้ง้าทาความเพียรเพราะเป็นอย่างนั้นมีพวกเราที่ไปเวทไม่ได้ไปอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นก็ไม่คิอแจกแจกสั่งอะไรแตบเพ่ยาเราไปสถานที่ใดตั้งใจทากฎแะข้าศ สถานที่นี้เป็นสปายะสถานที่นี้เป็นอสสปายะสำหรับตัวจะีด์เสสวนสถานที่เป็นอสสปายะคือหนถูกสหนึ่งสบายนะสถานที่เป็นสปายะคือที่สุขสบายของกายขงใจใ้ถูกต้องเนื่อดยสานที่เป็นใจเสมอเรนดีแล้วการทาความสาดกามเพียงการชำระี่เหลือปัญหาภายในก่อนหนวันที่จะตกใจจไข จิตใจขลงองตึงให้ใสว่างใลให้เยียนให้เห็นความสุขความหลุดออกจากโลกได้เพราะสถาทนทีก็อันเนื้อตัวของตัวกว่าตัางต่างต า, งต า, งตางทำจริงมีน้อยจริงเตือมาชน ะ, ส, ะ ส, สบายยะคือจิตสมายสะบาตายสบายใจอยู่สถานทีใดตัว่มีภัยอันตรายอยู่สถาทัทานทีใด ใจสนุกรู้เรื่อดจิตใจใละเอียดอ่อนจิตใจก็น้อมปจตื่อาจตื่นทำมีความเย็นสบาด้เย็นวายตึงแต่ไปในทางโลกทางเงสารไม่มีภัยอันตรายทงภายนอกภายนยเป็นสปายะของกายของใจเหยียกไปมาสถานสปายะอิตุสปายะหมายถึงยินฟ้าอากาต่ถานที่ใด เป็นไทยอันตรายอย่างยิาาา้าตาใสอิสุสปายะเราเพ่อไปทาหากไม่เดินเข้าไม่เห็นเข้าเราก็ไม่ทราบว่าสถานที่ใดเป็นสปายะสถานที่ใดนี่เป็นสปายะที่ไม่เดินอย่างกินจังเข้าที่ที่เดินอย่างนั้นทราบดีสถานที่เลืออากาศบางแห่งพอข้าไป อ, อ, อุดรลําบาก ไม่สะดวกสบายให้แต่อากาศบ้างแห่งบางที่ปลอดเปเร่งะดวกสบายนี่เป็นธรรมดาดินฟส้าอากาศอิตุภพายะแต่เขี่ยละอาีสิดมันมาเกี่ยวข้องกับกายของเราไปพักผาอาศัยจะเกิดโรคภัยต่างๆขึ้นเพราะอำนาจของอากาศผิดกับลาดขันของเรา คนที่เคยรู ы, ้เคยใส่ใจเคยปรวสบพบมาไม่เป็นปัญหาที่ใาที่เบาแต่คนที่นี่เคยประจสบพบมากวรจะคิดว่าด so so so ินาระอาการไมนเป็นเหมือนกันหมดม่เหมือนกันพูดใธเจ้าหรือถือถั่วไปยึ่งคิดว่าอุติสตายะก็เป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งนี่หมายถึงความสบายของกายของจิตที่จะพิาปฏิบัติจะต้องสราบ จะต้องคอยใจไม่อย่างนั้นจะถัดข้องเพราะเรื่องอะไรไม่ได้คำนึงคำเนีย น, น, ท, น, นทิ้งตายทิ้งใจข่องตนเลยในยทราบประศานที่ใดเป็ไปเพื่อสัตยาประสถานที่ใดเป็นไปเพื่อ เ, เ, เอาสัตายาเลยห า, ลาไม่เจอเพื่อโลกเพราะไม่ตรวจตาพิ่เจณาภายในกายใจท่องตนถ้าตรวดตาพิ่เจนาภายในดูกายดูใจไปประศรานที่ใดกาหนดรักษาภาวนาติดต่อ ในเลื่อย อ, อยู่จะทาบความสะดวกสบายความยากความลำบากของจิตแต่ส่วนใหญ่นะักภาวนาเรื่องของใาใคามไม่เคยเอาใจใส่ ห, หนักหนาเท่าไราออภัอดทนไปได้ฉันอดทนใจขอสาคัญคือเรื่องของใจเพราะใจนี้ถึงนึ่งมีโรคไข้ไข้เจ็บเปลี่ยน นอกคือจารมาแต่นั้นกทน็ทําหน้าที่ของมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องแปรเปลีนแล้วแตกสลายผู้ภาวนาจะทราบได้ความความเป็นจริงอย่างนั้นไม่มีใครที่ไหนจะเหลือจะหาทางหลีจากความจากความเจ็บความตายไ ด, ได้มันเป็นธรรมดาแต่แต่ไหนจะไรมาอาดีตที่ผ่านมาไม่ทราบว่ากี่แสนกี่ล้านปี จะเป็นอย่อย่างนี้ปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรอดีตจะเป็นอย่างนั้นอนาคตที่จะเป็นต่อไปก็เหมือนสันเปลี น, นั้นเรื่องขอ ง, องอใจเนี่ยมันเปิด่มาในดาษใจเขื่อนเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจะต่างกันแต่ช้าเร็วเท่านั้นท่านจึงมีอะไรเป็นผีของผิดในเรื่องของตใจมากมาเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องสําคัญ นักภาวนาคือนักแก่ใจงคงสนใจที่คิดคน้นจึงแตงใจผิดกำรลดเตลสารเวล า, าพบปัญหาต่างๆเรามีทางฝากเพียรพยายามบังคับบัญชาโดยจะตีปัญญาอย่างไรใจจริงแก่ใจใจจึงสงบใจจ ร, ริงลงโยมได้หนีเป็นเรื่องปัญหาสำคัญสู่ภาวนาจะต้องตั้งเน้อสำลัก <c oughs> จิตใจทองตนดูจิตใจท่องตนเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องทองใจเป่วนใจนั้นไม่เป็นเรื่องสําคั ญ, ค ญ, ค ญ, คญมากมาายเทอากรถ้าจัมร์ด้จิตใจสะดวกสบายแล้วถึงสถานที่นั้นจะไม่โอโ ท, สทงสถานที่นั้นจะขัดข้องทางวัตถุต่างๆแต่ใจท่องกู้ประพฤตปฏิบัตแบบิมันสะดวกสบายอาหารท้องใจาย จ, จะอดอยาบบแต่อาหารท้องใจ มันเพียงพอบยาลีบูนที่มีโอกาสมีเวลาเกิดทำเนะ่ยแกรแตกต่างๆสิ่งเช่นเนื้อเดือเนือรู้เกิดขึ้นบ่อยที่ใจนาดูอะไรก็ยาบท้ายของใสใจละเอียดใจฝึกใจสบายอาหารใจใจจะอดอยากก็หมายถว่าเป็นเรื่องสำคัญขอาใจแขงทันได้ดื่มรสของรำคืออาหารข้างใจ ใจจึงสะดวกใจจึงสบายนีผู้ภาวนาะจะต้องหาสถานที่ของใจเป็นเรื่องสําคัญจะเรื่องของใจพเรื่องของใจแต่หาอยู่งหากินพอได้ไอ้หยีนีสถานที่ต้นบขนาดไหนจะกินจนทองมันแตกก็ได้แต่เป็นสถานที่วิเวกสงบภายในพระพกทธเจ้าเปรีดีสาวกเปดีครูอาจารย์ที่มีธรรมะ แม้แต่โลกได้จากอารประพฤตปฏิบัติภายในก็นดีท่านไปได้าจากสถานที่ไม่อยจนดืนสถานที่อดอยากยากจนอย่างนั้นโดยเต็ใหญ่พระพุทธเจ้ า, ธธ า, าหรือทายวกไดา้ในอย่างนั้นคืออาจ า, กการย์ได้มาอย่างนั้นเพราะท่านตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาภายใ น, นตั้งใจประพฤตปฏิบัติถึงจะอดยากอยากจนเหนื่ยเหนื่อยเหนื่อยหิ พอดยรงชีวิตได้เป็นพอพขาทานอะไรทานได้ในถี่ว่าอันนี้เป็นของไม่ดีอันนี้ของตันชาลาโมกอันนี้ไม่สมควรแก่เราท่านไม่ได้ปรุงในที่ตัวอย่างนั้นฉานใจพอเป็นยาประมาลรักษาชีวิตไว้เป็นบันบันแคนั้นในจิตรสชาติของอาหารเป็นเป็นเลี่ยงวินดาวไทยใน อะไรพอฉันได้ฉันไปพอกระทางชีวิตเอาไว้พอมีกําลังเดินเป็นกรมภาวานาะมีกําลังกาลังกีดกันหาท่านทำกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้บางที่บางที่ผิเคปไปไม่มีอะไรก็เลยนอกจากข้าวเลี้ยงข้าวก็เพ่อพอพอไปอยู่ในต่างเล็กมีมีบ้างหรือมี แต่ตบติดเาไปทำไรเพียงหลังสองหลังแถวนั้นได้ข่าเพียงนิดหน่อยแต่อยู่สบายภายในเพราะไปรบกวนเพราะไม่ไปเกี่ยวข้องการอยู่ของเราอยู่ด้ออยู่ด้ทําจิตใจรักษาได้กำนำเสมจิตใจผ่องใสจิตใจสุขจิตใจสบายท่านอยู่แบบนั้นพระจะมาฐานพระจมีธรรมะภายใน มาเ็กงาะขนผี่อนั้นลำรวยแตเด็กสบายอย่างนั้นอย่างนี้คนที่อยู่ที่อาศัยก็มีน้มีไฟมีอะไรต่างๆนอยู่นชมอาหานามกดฉันก็อน่อยากอยากเนอะไรอยากขันอะไรก็ได้ตามตากนะทามาเด็กุดเดคิดเดจรงแบบนั้นท่านอยู่เดอัเดทำภายใน ด้ใจสงบสุขไม่มีอะไรมารบเรียกโยกย่องหุนวายจะเดืยกจะได้ในการทำความผาดความเพียท่านอยู่ไปคนไปเห็นความตั้งใจสำนึกภายในของ่านเช็นธรนมรู้ธรรมเห็นธรรมดีธรรมเด่นรับรองเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้น ในใจิตในใจอีกว่าจิตใจความไมมันจึงชิดตึงทําไมมันจึงติดคล่องทําไมราคะตัณหามันจึงแบงเหย่ียบยันจิตใจอีกโลภโลกรธหลงอะไรภายในใสงบระงับบัดเรียบลงไปไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องตัวพันกับจิตของท่านที่บริสุทธิ์ท่านอยากจะไปสถานที่ใดพักก่อนที่ใดสมควรที่จะไป ทกัพเจนมาของท่านจะไปเกิดฉับส ถ, ถานที่ใดศพพอไปได้เพราะไม่มีการละและการมันเค็นทางใจใจถึงที่ใจคงที่ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนจะจะเริ่มต่อไปใจขงท่านบริสุทธิ์ท่านจึงอยู่สะดวกสบายเื้องต้นคือท่านจะเห็นขนดังนั้นท่านต้องบุกเบิก แต่ทําความภากความเพียนตามสถานที่ต่างๆจะไปยะของใจเรื่อยใจจนสดๆพบเห็นความสะดวกภายในจะปฏิบัตปฏิบัติต่างวัน่จะปฏิบัติได้ต่างเชิญจะปฏิบัติได้ไม่วุ่นวายตัางวนทั้งโรูทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรถไม่เกี่ยวข้องอะไรยิ่งแย่วุ่นวาย หนักแนมีเวลาที่จะไปะิดปฏิบัติเต็มที่เต็มฐานท่านจะอยู่ไปทําไปใจทั้งทนจึงจะเริยนจ้าเน่ยเถึงที่สุดเป็นมีมตดได้มีเล่าสื่อภาวนาพระกรรมฐ า, านเนกรรมฐ า, านม่เต็นอย่างนั้นไปสถานที่ใดคิดตั้งใจเรื่องนอกที่นั้นคงจะดีที่ มีเ็นอย่างนั้นที่นั่นเ็นอย่างนั้ตามลื่นเลื่อยไปแต่ส่วนใจของตัวในตัวตาที่จรมาดูเดยที่ในดูเยื่องภายในใจจึงนี่ใจจึงเอาไปเถื่อนี่ใด้ไปอยู่กับใครได้ไม่เห็นอาจเท็นทำทนสลอาดที่จะแจ้ไขราชาตัญหามาณทิศภายในไม่มีอะไรไปอยู่กับผู้ดีดีเสีขนาดไหน ก็เลี day, so gene, so like, ้ยงของฉันดีนี่เสียแต่ที่เล็กของเรายังคงสนคงว่าหรือกําเลิงเกิดศาลเรื่อยไปไม่มีอะไรดีเด่นแต่เปิดนี่เสียมากมีทุการไม่แต่เพื่อปฏิบัติในดูภายในของตนผู้ปฏิบัติต้องดูภายในต้องดูใจทของตนใจของตนเป็นอย่างไรไปได้กําไรหรือขาดคุนดีมีทางเสียหายอย่างไรใครเตรมที่นี่ที่เจอมาเพราะ ธรร ม, มะของพระพุทธเจ้าในใจธรร ม, มะสอนคนให้งงสอนอสอนคนใหตลาดสอนคนใหดีใส่รู้สึตัวของท่านเองก็เป็นผู้รู้เศษผู้รู้ผั่ ว, วไปจึงฉันแลเ้เสร็จเชิญเชยวัดธรร ม, มะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีรู้สึกเป็นของไหม่ล่าสมัยเป็นของใหม่ของประโยชน์สำหรับผูบ้ปฏิบัติได้ไม่มี วิชาแขนไหนที่จะดีริเศษไปรเศษเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผู้ษษษปฏิบัติดูเห็นภายในของท่านเพราะวิชาทุกแขนงที่เทาถือกันยันจบมาจะเป็นวิชาแขนงไหนก็ตามไม่มีทางที่จะสำละัก ส, สาษาเฉลของใจนี่จะจะเกิดมาหน้าทิพ่ิเร้รู้ เราเรียนเราสอบได้แต่กี่เดือนปัญหามานะภายในมีอะไรตกไปไมันเคยมีมแต่เพิมพ่มเพิ่มขึ้นเขามาดูเหืนเงินทานิดหน่อยโกโก้ตาดําตาแดงไปใจเสียง่าเพราะเราคนขนาดนี้เรียนหนักขนาดนี้ยั ง, สงเสียีวิตเราโง่เราเสียเราเสียอยู่หรืมันคิด ในใจแล้วก็โกรธเนี่ยเขาว่าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเราว่าเราเป็นคนอย่างไรพอมาดูหนุนนินทาเรามันไป ต, ต่างๆนั่นนะเกิดปัญหาปริชาภายนอกที่เรียน ม, มาทําให้เกิดมานะทิสิสิแต่ธรรมะภายในใจที่รู้เห็นอาจทำไม่เป็นอย่างนั้นท่านอยู่สถานที่ใดท่านทชำระใจทัองท่านเยวมันจะเกิด ลาคาปัญหามานะทิฏฐิต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติของท่านปัญญาของท่านรเท่าเรื่องของขันตังขานจึงอะไรทราบได้ทุกเรื่องว่าอันนี้เป็นทางดีนทางชั่วเป็นกุศล เ, เลือกกุศลท่ า, ทานทราบได้แล้วก็ตกไปตกไปไม่มีอะไรจะมาเกี่ยวข้องให้ใจิตใจเลื่อนหลง เกิดเคืหรือมัวเมาคิดจินไปในเรื่องนั้นถึงคิดถึงจินไปจิงใดที่เป็นภัยอันตรายทางก็ยภาพแก้ไขจิงใดที่ควรคิดควรจินขันจึงฝอยจินฝอยคิดฝอยเพราะขันอันนี้ทาหากจิตหมดที่เหลืขันอันนี้ยังมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นคิดเป็นภัยอะไรสําหรับท่าน พ้าผู้ชายเจ้าสาวโ่ท่านก็ยังมีขันเนี่ยบทที่เหลือตัะหาไม่มีขันจะมีทางรากาศาสนาได้ความคิดความคุณยังมีอยู่แต่จิตใจของท่านจะบวมไหวเอวนเอียงรูจิตถูกไปตามเรื่องสมมูลของโลกเปลนไปในไดน้เพราะจิตเป็นมิติแต่ความชอบใจรื่ไม่ชอบใจของคนทั่วไปนั้นมันเปนใจตามเรื่องใจของคนหากาชอบใจเท่าสัอะไรเสรม ว่าดีว่าเดินอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาไม่ขอบใจทั้งทั้งที่ท่านไม่มีอะไรกับเขาเขาคอยนื่มยินทาปากกล่ า, า, า, ท, า, าท่านโง่เขาเตาตนท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาไม่ชอบใจของเขาแต่ความวุ่นิตยืนเล็ดของท่านไม่เป็นอย่างนั้นบริสุทธวิตยู่ตลอดวันตลอดเวลาใครจะดา่าจนปากฉีดท่านก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายสิ่งภายในใจของท่าน ใครจะมาเสนอเยินยองขนาดไหนอะไรจะเกิดขึ้นภายในความบริสุทธิ์กรณี้อีกเหมือนกันท่านจึงเป็นผู้ที่ตายตัวคงเส้นคงวาไม่มีสองจุตข้องท่านไม่มีอาการเป็นอสิริยาเป็นเอแต่จิตเยเอแต่ทำคือไม่มีอะไรเป็นสองในความบริสุทธิ้นั้น อยู่จิตของท่านอยู่ถึงบรูปสุดท่านจึงสะดวกท่านจึงสบายมันมีอะไรวุ่นวายเดี๋ยวท่านับผูกเหมือนพวกเราั่กไปพยายามทําจิตทําใจพยายามชำระเรื่องเกี่ยวกับปัหาภายในดูจิตดูดใจขั้งตนอย่าไปดูดที่อื่นไปภาวนาก็ดีมาภาวนาก็ดีมาวัดวัสดูใจว่ามั น, นอยู่นอกวัดดีมันอยู่ในวัด มันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงมันสงบหรือมันสุ่นดูภายในพเพราะชีวมันเกิดขึ้นภายในธรรมะมันเกิดขึ้นภายในแต่ดูภายในคือดูใจคงตนอยู่เรื่อยๆใจจะข่องใสใจจะสงบใจจะสบายเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือนัง่งภาวนาพยายามชำระอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอานาคต ให้หมดไปให้ใจอยู่กับอาจกับรมแต่บริรรมก็ตั้งหน้าบริรรมเอาจริงจินจังจังอารมณ์อื่นเหมืนแสนจะเกิดขึ้นหรือผ่านมาอย่าไปเกี่ยวข้องต้องบริรรมดีนั้นถ้าเพ่งก็เพ่งดีนั้นจนให้จิตได้รับผลคือความสงบความสบายของใจเย็นไปจากแท้จริงถ้าไม่เห็นผล อย่างนั้นผกติพยายามทำอย่างนั้นนี่จึงได้เสือภาวนารักษาจิตถ้าหารอารมณ์อะไรผ่านมาจิดตามไปอารมณ์อะไรโผล่ขึ้นกะวิ่งตามอย่างนี้เลยเสื่อต้องบอลจิตรักษาจิตจิตจิดไปองวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วรามีสติรักษาเมีปัญญาเนี้สอน จิตก็เล้ไมสงบเลยจะเดี๋ยวมาจีทั้งสาจีจีก็าตามสมาธินิสอุปจาระอปปนาไม่เคยจะจบพบเห็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นภายในนอกจากสัญญาที่จํามาจากจำหลับตาําราแถานั้นไม่เคยมีเมื่อมันเป็นอย่างนั้นที่เรื่อปัญหายัง ม, มีทางจะทาละให้ตกไปจากใจได้ ที่รู้ที่เห็นที่เป็นภายในท่านในจ็นอย่างนั้นท่านสำาระภายในของท่านสมาธิเป็นอย่างไรมีสำหรับตำราเท่านั้นหรือมีใ น, ในใจของท่านท่านทราบดีไม่ว่าทานิกะอิปิจาระอัปปนาสมาบัตเป็นอย่างไรก็ทร า, าตบตลอดถึงปัญญาลร้ที่เหลเป็นอย่างไรเข้าใจ เพราะธรรมะเป็นสันติปีโกผเเองจากการประฤปฏิบัติของตนไม่มีอะไรปิดบงังถ้าดูภายในเข้าใจอยแกมประจับไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่จะปิดบังเอาไว้มีการภาวนาการสำระใจจึงเป็นเรืเ่องสําคัญพวกเราท่านไม่จะดวกสบายด้วยเพลิดเพลินมัวเมาเจ้าชุกต่างๆ เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องอันอื่นใจนี่พยศ ม, มากกว่าสิ่งทั่วไปทรมานในด้ในนี้อะไรถี่จะเป็นข่าสุกสัตรูยิ่งป่าใจท่องตนเป็นข่าสุกสัตรูเสียตนเดี๋ยรักเดื้อวชอบเดี๋ยวยินดียินร้ายบันไตต่างๆเนี่ยนะฮะตาละฮะที่เพ่งในได้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา เรื่อวขางใจจิตในมีธรรมะเป็นเครื่องแนสอนเป็นอย่างนั้นจิตใจในชำระสาสาจิตใจมีธรรมมีวิ น, นัยมีสติปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นรูปมีอยู่ทั่วโลกกว่าห้าบาลูกิ๋งมีอยู่ทั่วโลกกว่าห้าบาล์เสียงแต่ความติดข้องในรูปในเสียง มันไปจากที่ไหนนอกจากไปจากใจของเราเรื่องเหล่านี้เราไม่เห็นมันมีอยู่ไม่ใช่หรือถ้ามันใมมีเราจะไปเห็นมันอย่างไรเราเห็นทำไมไปติดไปคล้องไปจูงไปแตะว่ามันสวยมันงามมันดีมันชั่วต่างๆนี่คือปัญญาที่จะี่เวน่าแก้ไขใจของต น, เ ห, นเหมือนกันเพราะฉันดูภายในอยู่ตลอดเวลาใจมันคิดจรงเรื่องนอกหรือเรื่องในอย่างไร จนมันจะเกิดเรื่องภายในของมันรือเท่าเรื่องของผาสของขันตามเป็นจริงเราไม่มีสิ่งใดติดบังทั่วโลกเพราะถันพิจนาภายในพิจนากายใจของขันรูปของขันเป็นอย่างไรรูปที่เรื่องไปในอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันไม่ว่าจะเปมนุษย์สัตว์ก็เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลก พอที่จะเลื่นจะหลงจะเพลิดจะเพลินมันจะเป็นไปอย่างไรถ้ามันดีเรื่องขลูกเสียงเหมือนกันถ้าเราไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ไม่มีสัญญาขาดหมายเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นแค่เสียงไม่ดับเจ้าหูแต่กตายจะจะเกิดแล้วมันดับไปเปูียงเหมือนกันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันจะเหนือแผ่นดินหนีมันเกิดเมแล้วมันดับไป ทำนองียวกันหมกน่มนเปนอย่างนั้นมันเป็นมีอะไรสงสัสที่จะติดข้องในใจแต่ใจใส่คิดว่าอันนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้จะหลงไหลไปตามพูดตามเสียงต่างๆปฏิตัญญาทางธรรมะจึงเป็นปติปัญญาคมก้าสามารถฟาดฟันบันน่นทอนกิเลสปัญหา ความเพ่งตึงเลหลงของจิตขงใจให้สงบลางนับดับได้แต่ิชาแนอื่นยืนมาไม่เป็นอย่างนั้นยืนไปเท่าไรก็ยืนหลงไปเท่านั้นหลงทาสวหลงายก็หลงใจทตัวไม่หลงที่ไหนเหมือนกันกับเราเขเลือง้วยังสื่อเเยนมาเท่าไรจะ่อจนถึงหัวเขาเลยแต่มตัวนั้นแหละจะเข้ไปยู่ แสนสีล MM ้านตัวจะเข้มของเข่าเมไปเยมกัขาเรื่อตัวมนันตั้งแต่ึงี่จะมไปแสล้านของเขามันเข้มไปยกันไปความหลงองใจของท่านองเดียวกันมันหลงทองเข่ามันวบมันวนอยู่นะเพราะไม่มีรักษาไม่มีปัญญาเนี่ยสอนไ่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงของมันมันหลอกลวง้พวกเราท่านมหลงเพ เย่อข้องพบน้อยพบใหญ่อยูย่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาทหารใหม่องราญศาลางมันก็จะเป็นไปอย่างนี้แต่นั้นเพื่เราท่านทุกวันทุกเวลาพอที่จะมีโอกาสภาวนาทํราญจิตของตนไม่มีเรื่องอะไรที่จะมายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากวิเลษภายในนอกจากใจของตัวหลอกเลี้ยงตัวเอง ว่าเดียวนี้เป็นอย่างนั้นเดียวนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่มีการสําระภาสางไม่มีการพิจารณาดูถ้าเราเชื่อมันจะเชื่อเๆๆลเย็นๆอย่างแรงไม่มีบันที่จะประอดกสบายให้มันจะโตหกพลังลมด้วยใครเราจะหากห้ามมันเรามาชำระสาสางมาทำความผากความเพียนหนาขี้ของเราจะเทียนเท่าไหร สัญญาอารมณ์พายในตัวเราได้ใครจะมาทำให้ใครจะม า, า, ารทราบแต่จิตใจของเราคือจิตจถูกอะไรนอกจากเราจะทราบในตัวของเราเองความเคลียอนขงกล่าวเอาไว้ตี๋บบเป็นความเคลียอ